จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาเสริมอาวุธไว้สำหรับป้องกัน ชีวิตจิตใจที่จะถูกความหลงคอยหลอกลอก่อให้ไปโลภให้ไปอยากให้ไปโกรธกับสิ่งต่างๆภัยที่แท้จริงของชีวิตเหล่านี้ไม่ได้เป็นภัยที่อยู่ภายนอกเช่นโจรผู้ร้ายหรือพายุโดยเหตุภัยพิบั ต, ติต่างๆ เพราะภัยพิบัติเหล่านี้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ทำลายเพียงแต่ร่างกายของเราเท่านั้นไม่สามารถทำความความเสียหายให้กับจิตใจของเราได้เท่ากับภัยที่มีอยู่ภายใ น, ในใจของเราเองก็คือความหลงการที่มีความเห็นผิดเิดชอบเห็นกกงจากเป็นดอกบัว หรือการขาดสัมมาทิฏฐิการเห็นที่ถูกต้องคือปัญญาเราจึงต้องมาวัดเพื่อมาเสริมสร้างสติปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นบอ่อหรือแหล่งของปัญญาทั้งหลายผู้ที่มีปัญญาของพระพุทธเจ้า สถิตยอยู่ในใจจะเป็นผู้ที่อยู่อย่างปลอดภัยปลอดจากความทุกข์ความวุ่นวายใจปลอดจากปัญหาต่างๆได้อย่างแน่นอนเพราะปัญญานี้จะสามารถสอนให้จิตใจรู้จักหลบเลกรู้จักปล่อยวางกับเรื่องราวต่างๆ ที่จะคอยมาลุ่มเล้าจิตใจอยู่เสมอแต่ถ้าไม่มีสติปัญญาไว้คอยสอนแล้วใจก็จะผูกพันผูกมัดติดอยู่กับเรื่องราวต่างๆติดกับปัญหาต่างๆและพยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆทั้งๆที่เป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ แต่ก็จะพยายามแก้ไปเพราะความหลงนี่เองเช่นพวกเราทุกคนก็รู้อยู่ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนแต่พวกเราก็พยายามที่จะแก้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็พยายามแก้กันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วตั้งแต่สมัยดึกดำบัรมาจนถึงปัจจุบัน ก็ยังมีคนที่พยายามที่จะแก้ความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะแก้ได้เพราะเป็นความจริงของธรรมชาติเป็นความจริงของร่างกายของทุกๆคนเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาถ้าเราศึกษาพระธรรมคำสอนแล้ว ท่านก็สอนให้เรายอมรับความจริงอันนี้เพราะถ้าเรารับความจริงได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับความแก่ความเจ็บความตายจะรู้สึกเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรที่จะน่าตื่นเต้นหวาดกลัวแต่อย่างใดเพราะจะตื่นเต้นหวาดกลัวอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะไปหักข้าง ให้ความแก่ความเจ็บความตายไม่เกิดขึ้นได้นั่นเองนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราที่พวกเราส่วนใหญ่มองไม่เห็นกันเราเห็นแต่ร่างกายของเราและความหลงก็หลอกให้เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราเราจึงคิดว่าเราคือร่างกายเมื่อเราคือร่างกายเราก็อยากจะให้ร่างกายอยู่ไปตลอด พระเราไม่ต้องการที่จะสูญหายไปนั่นเองแต่ความจริงแล้วเราไม่ใช่ร่างกายเราคือใจและใจก็เป็นสิ่งที่ไม่ตายสิ่งที่ไม่สูญหายไม่ดับเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดมาใจของเรานี้เปลี่ยนร่างมานับไม่ถ้วนแล้วแต่ละร่างเราก็เรียกว่าเป็นหนึ่งภพชาติเราเกิดแล้วตายหลายภพหลายชาติแล้ว ได้ร่างกายหลายหลายแบบหลายชนิดแล้วแต่ใจผู้ที่ได้ร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เนื่องจากใจนี้ไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดไม่รู้จักใจของตนเองพอเกิดออกมาก็คิดว่าสิ่งที่ตนเองได้รับคือร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนของตนเอง ก็เลยเกิดความยึดติดเกิดความหวงแหนเกิดความเสียดายเวลาที่จะต้องสูญเสียร่างกายที่ได้มาเพราะร่างกายนี้ก็ได้มาจากพ่อจากแม่ก่อนที่พ่อกับแม่จะมาเจอกันร่างกายของเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ตรงที่เรายังไม่ได้เกิดนั่นเอง ถ้าเรายังไม่ตายเราก็ยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่หรือเป็นเทพเป็นเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆอยู่นั่นเอง mm hmm. แต่พอถึงเวลาที่ดวงวิญญาณของเราจะมาเกิด mm hmm. เขาก็ไปหาร่างกายถ้ามีพ่อมีแม่มาผสมพันกันปรากฏมี ตัวอ่อนขึ้นมาก็จะมีที่ให้ไปจองเกิดได้เราก็ได้เกิดมาเราได้ร่างกายของพ่อของแม่มาไม่ใช่ร่างกายของเราแต่เราไม่รู้เราหลงเราก็คิดว่าร่างกายที่ได้มาจากพ่อจากแม่นี้เป็นตัวเราของเราพอเป็นตัวเราของเราเราก็อยากจะให้มัน อยู่ไปนานๆานอยู่ไปตลอดเพราะไม่มีใครอยากตายไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะตามธรรมชาติของร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้เมื่อมันเริ่มเริ่มเริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วมันก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นไปทีละเล็กทีละน้อยตอนต้นก็จเจริญอยู่ในท้องของแม่ก่อน และเมื่อมันจเจริญเต็มที่แล้วมันก็จะคลอดออกมาหลังจากนั้นก็รับอาหารต่างๆจากพ่อจากแม่ที่คอยเลี้ยงดูจนจเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วต่อไปก็จะกลายเป็นคนแก่ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วสักวันหนึ่งร่างกายนี้ก็จะต้องหยุดทำงาน ร่างกายนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งที่ถูกผลิตออกมาจากโรงงานเมื่อออกมาจากโรงงานแล้วคนที่มีสตางค์ก็ไปซื้อรถมาขับคนขับก็คิดว่ารถนี้เป็นของตนก็อยากจะให้รถนั้นอยู่ไปกับตนไปตลอดไม่อยากให้รถเสียแต่ใช้ไปสักระยะหนรถมันก็เก่าลงมันก็ชำรุดทุดโทรม ก็เสียด้านในที่สุดก็จะพังไปขับไม่ได้คนขับก็ต้องทิ้งรถไปขายรถไปแล้วก็ไปซื้อรถคันใหม่แต่คนขับไม่ได้พังไม่ได้เสียไปกับรถแต่อย่างใดใจของเราก็เป็นเหมือนกับคนขับร่างกายของเราก็เป็นเหมือนกับรถยนต์คนขับก็ขับไปใช้ร่างกายนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อถึงเวลาที่จะต้องทิ้งมันไปก็ทิ้งมันไปแล้วก็ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปแต่ใจถ้าไม่ฉลาดก็จะมีแต่ความวิตกความกังวลมีความห่วงใยมีความหวาดกลัวกับความเป็นไปของร่างกายอยู่ตลอดเวลาอยู่ในโลกนี้ก็จะหาความสุขไม่ได้เท่าที่ควร ทั้งๆ ท, ที่สามารถมีความสุขได้เพราะใจถ้ามีปัญญารู้ความจริงสักอย่างว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งร่างกายให้พูดให้ทำสิ่งต่างๆใจเป็นผู้รับรู้ร่างกายนี้ไม่รู้เรื่องอะไร ร่างกายจะเป็นอะไรไปร่างกายเขาไม่รู้แต่ผู้ที่รู้คือใจแต่ใจไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่ใจกลับมาวุ่นวายมาหวาดกลัวมาทุกข์มากังวลกับความเป็นไปของร่างกายเพราะขาดปัญญาขาดมีความหลงหลอกให้คิดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นใจเราจึงต้องมาแยกกายกับใจให้ออกจากกัน ด้วยการสอนใจให้รู้อยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้สักวันหนึ่งก็ต้องหยุดทำงานร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์หรือเป็นเป็นหน่วยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเหมือนเสื้อผ้าที่เราเอามาใส่เรารู้ว่าเสื้อผ้านี้ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่มีความหวาดวิตกทุกข์กังวลกับ ความเป็นไปของเสื้อผ้าเสื้อผ้าขาดถ้าเราซ่อมได้เราก็ซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้เราก็ทิ้งไปเราก็ไปหาซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่ได้ร่างกายนี้ก็เป็นอย่างนั้นร่างกายถ้ายังซ่อมแซมได้เราก็ซ่อมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ทิ้งมันไปก็ไปหาใหม่ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้ว รับรองได้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเรารู้อยู่ล่วงหน้าแล้วว่ามันจะต้องเป็นเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเรามันเป็นเหมือนเสื้อผ้าชุดหนึ่งเป็นเหมือน ร, รถยนต์คันหนึ่งเมื่อถึงเวลามันจะไปก็ให้มันไปเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรล้วก็อยู่อย่างสุขอย่างสบายขณะที่อยู่กับร่างกายเราก็ไม่ต้องทุกข์ไม่กังวล ไม่ต้องหวาดกลัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมันเราก็ดูแลมันไปเหมือนกับเราดูแลสมบัติชิ้นหนึ่งรักษาไปดูแลไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่เราก็รู้ว่าสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปแเราต้องไปกันคนละทิศคนละทาง น, นี่คือปัญญาเป็นสิ่งที่เราควรที่จะสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าเราสอนใจของเราอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะมีความฉลาดเราจะรู้ทันความหลงพอความหลงจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราของเราเราก็จะหักห้ามความคิดนี้ได้ความหลงก็ออกมาจากความคิดปัญญาความฉลาดก็ออกมาจากความคิดอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยให้ความคิดชนิดไหนออกมาถ้าปล่อยให้ความหลงความคิดที่ออกจากความหลงออกมา มันก็จะสร้างให้สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ต่างๆให้เกิดขึ้นกับใจของเราแต่ถ้าเราให้ปัญญาความคิดที่เกิดจากปัญญาออกมามันก็จะปล่อยวางมันก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่กังวลกับเรื่องอะไรทั้งสิ้นทาได้ก็ทำแก้ได้ก็แก้ป้องกันได้ก็ป้องกันแต่ถ้ามันสุดวิสัยก็ต้องให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน เหมือนกับฝนเราไปควบคุมบังคับฝนไม่ได้ห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้สั่งฝนให้ตกไม่ได้ฝนเขาก็มีเหตุมีปัจจัยของเขาเมื่อมีปัจจัยพร้อมที่จะให้เขาตกเขาก็ตกลงมาถ้าไม่มีเหตุปัจจัยจะให้เขาตกต่อให้สั่งอย่างไรบนบานอย่างไรฝนก็ไม่ตกให้กับเราร่างกายก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันร่างกาย จะแก่เรือไม่อย่างไรเราก็ห้ามไม่ได้จะแก่เร็วแก่ช้านี่เราก็ห้ามไม่ได้มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนอกจากว่าเรารู้เหตุบางอย่างที่ทำให้เราทำให้มันแก่ช้าได้เราก็ทำไปเช่นเหตุของความแก่เร็วก็คือความเครียดถ้าเราเครียดมากเราก็จะแก่เร็ว ถ้าเราเครียดน้อยเราก็จะแก่น้อยแก่ช้าลงแล้วก็อย่าไปเครียดพยายามทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานอยู่เรื่อยๆด้วยการปล่อยวางไม่ต้องไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆไม่ต้องไปหยากกับสิ่งต่างๆหัดอยู่โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆใจของเรานี้สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆมากมายเหมือนกับที่เรามีอยู่กันทุกวันนี้ สิ่งที่ร่างกายสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีก็เพืเพ่อดูแลรักษาร่างกายไปท่านั้นเช่นอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคกับเครื่องนึ่งหงสถ้ามีเท่านี้ร่างกายก็พอแล้วพอเพียงแล้วส่วนสิ่งอื่นๆนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีเลยไม่จำเป็นจะต้องมีคู่ครองไม่จำเป็นจะต้องมีเครื่องบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์พัดลม โดยเครื่องอํานวยความสะดวกความสบายต่างๆ เ, าเหล่านี้ไม่มีความจาเป็นกับใจไม่ได้ทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นแต่กลับจะทำให้จิตใจมีความทุกข์มากขึ้นเพราะจะทำให้ใจกลายเป็นคนพิการเหมือนกับเป็นคนพิการไปจะต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ความสุขทั้งๆที่ใจนี้ไม่ได้มีความสุข ไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ก็มีความสุขได้เพราะสิ่งที่จะทําให้ใจมีความสุขที่แท้จริงก็คือปัญญานั่นเองเพราะถ้ามีปัญญาแล้วใจก็จะไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการสิ่งต่างๆเมื่อไม่มีสิ่งต่างๆก็ไม่มีความทุกข์ความกังวลความหองอยใหญที่จะต้องคอยดูแลรักษาสิ่งต่างๆนี่คือปัญญา เป็นสิ่งที่เราควรที่จะแสวงหาเสริมสร้างมันขึ้นมาปัญญาเบื้องต้นก็เกิดจากการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ต้องนำเอาไปคิดต่อเอาไปพิจารณาต่อพิจารณาอยู่เรื่อยเมื่อพิจารณาไปแล้วก็จะต้องนำเอาไปสู่การปฏิบัติต่อเช่นเราเชื่อว่าความสุขของใจความไม่มีทุกข์ความ งวลต่างๆนั้นอยู่ที่การไม่มีสิ่งของต่างๆบุคคลต่างๆเกินความจําเป็นเราก็เริ่มตัดไปสิ่งไหนที่ไม่มีความจําเป็นเราก็ทิ้งไปแจกให้คนอื่นไปเช่นพระพุทธเจ้าทรงมีปัญญาสมัยอยู่ในพระราชวังก็มีสิ่งต่างๆห้อมร้อมมากมายมีทรัพย์สมบัติข้าวของต่างๆ มีบริษัทมีบริวารต่างๆแต่หลังจากทรงพิจารณาแล้วก็เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสุขเท่ากับความทุกข์ให้ความทุกข์มากกว่าให้ความสุขจนในที่สุดพระองค์จึงตัดสินใจทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปหมดออกไปอยู่ในปา่าออกบวชเป็นนักบวชแล้วอยู่แบบเรียบง่ายมีเพียงปัจจัยสี่ไว้สําหรับดูแลร่างกาย สนใจก็ให้ความสุขใจด้วยการกำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่ยังไม่ได้ถูกกำจัดให้หมดสิ้นไปก็ต้องกำจัดด้วยการภาวนาคือทำจิตใจให้สงบเพื่อเพื่อจะได้ให้มีความสุขเพราะใจถ้าไม่สงบแล้วใจจะ ทุงซ่านใจจะคิดต่างๆคิดอยากได้สิ่งต่างๆคิดกังวลกับเรื่องต่างๆทงั้งๆที่รู้อยู่ว่าไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงใยแต่ก็ยังหยุดความคิดความกังวล น, นี้ไม่ได้วิธีที่จะหยุดก็จึงต้องทําจิตใจให้สงบด้วยการนั่งทำสมาธิ บังคับจิตใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ลืมเรื่องต่างๆไปเช่นให้คิดคาว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราคิดอยู่กับคำว่าพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเรื่องต่างๆที่สร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจก็จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาในใจของเราได้เมื่อมันไม่โผล่ขึ้นมา มันก็ไม่ได้มันก็จะไม่ทำให้เรามีความทุกข์ความกังวลใจเช่นขณะนี้เรานั่งฟังเทศฟังธรรมกันอยู่ถ้าเราตั้งใจฟังอย่างจริงจังไม่ไปคิดถึงเรื่องต่างๆเรื่องต่างๆก็จะไม่สามารถปรากฏขึ้นมาในใจของเราได้มันก็จะไม่สามารถสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้กับเราได้เราก็จะเห็นว่าความทุกข์ความกังวลใจของเรานี้เกิดจากความคิดของเราเท่านั้นเอง ที่เราไปคิดห่วงใยกับเรื่องต่างๆกับคนคนต่างๆถ้าเราไม่คิดถึงเขาไม่ไปกังวลเรื่องมันเรื่องต่างๆมันก็จะไม่มาปรากฏขึ้นมาในใจของเราความกังวลมันก็จะไม่มีในใจของเราส่วนเรื่องต่างๆมันจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องเป็นปตามงเรื่องของมันเช่ขนขณะนี้เราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไปห่วงกังวลเรื่องบ้านถึงแม้ว่าเรา ่วงและกังวลแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปทำอะไรกับเหตุการณ์ที่บ้านได้เพราะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อะไรจะเกิดหรือไม่เกิดที่บ้านมันก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของมันแตน่อย่างน้อยถ้าเราไม่ไปคิดกังวลเราก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจแต่ถ้าเราไปคิดกังวลบางทีไม่มีเลือไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราคิดไปเองเราก็สร้างความกังวลขึ้นมาเองโดยใช่เหตุ ดังนั้นขอให้เราทำความเข้าใจว่าอะไรก็ตามอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่ว่าเราจะไปคิดถึงมันหรือไม่ก็ตามเมื่อมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าสิ่งใดที่เราคิดว่าเราป้องกันได้เราห้ามได้เราก็ทำไปแต่ถ้าเราห้ามไม่ได้เราป้องกันไม่ได้เราก็อย่าไปกังวลกับมันปล่อยวางไว้ให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน ไม่ช้าก็เร็วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เราก็ต้องจากมันไปอยู่ดีมันก็ต้องอยู่ของมันถ้ามันอยู่ได้มันก็อยู่มันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องสูญไปพังไปหมดไปเช่นเดียวกันถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าความคิดของเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องที่ไม่ไม่จำเป็นเป็นเรื่องที่สร้างความทุกข์สร้างความกังวลให้กับเรา เราก็จะไม่คิดกังวลกับเรื่องอะไรเราอยู่ที่ไหนเราก็จะอยู่กับที่ตรงนั้นไม่ไปคิดถึงเรื่องที่อื่นเรื่องที่อยู่ใกลตัวเราคิดไปก็เปล่าประโยชน์อยู่ที่คิดกับเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเราดีกว่าดูแลตัวเราในปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดมีอะไรที่เราต้องคอยระมัดระวังเราก็ระมัดระวังเดินไปเราจะได้ไม่เลื่อนหกลม้มไม่เดินไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่ถ้าเรามัวแต่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็อาจจะเดินไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือลื่นหกล้มได้เพราะเราไม่มีสติเราไม่ดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเรามัวแต่ไปภาวะโพนกับเรื่องต่างๆที่เราไปทำอะไรไม่ได้ส่วนเรื่องที่เราทำได้เรากลับไม่คอยดูแลเช่นการเคลื่อนไหวของร่างกายของเรา การกระทำอะไรต่างๆของร่างกายของเราเป็นสิ่งที่เราควรที่จะดูแลมากกว่าเพราะการกระทำของเรานี่แหละจะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาถ้าเราพูดดีเราก็จะได้มีผลดีตามมาถ้าเราพูดไม่ดีมันก็จะมีผลไม่ดีตามมาถ้าเราทำดีก็จะมีผลดีตามมาถ้าเราทำไม่ดีก็จะมีผลไม่ดีตามมาแต่ถ้าเราไม่ดูการกระทำของเรา เราก็จะเผลอทํำในสิ่งที่ไม่ดีก็ได้ทําให้เราต้องเสียใจภายหลังก็ได้นี่แหละคือเรื่องของใจของเราที่เราต้องคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเวลาที่เราไม่ต้องทําอะไรเราก็ควรที่จะหยุดพักใจบ้างทําใจให้สงบอย่าปล่อยให้มันคิดเลื่อดเปื่อยเพราะจะสร้างความฟุง้งซ่านสร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้เกิดขึ้นไปโดยใช่เหตุ ทำจิตใจให้สงบด้วยการคิดถึงคำว่าพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้หรือจะสวดมนต์บทใดบทหนึ่งที่เราจำได้ก็สวดไปก็ได้สวดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำไปกลับไปกลับมาสวดอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้แล้วต่อไปจะไม่มีเรื่องต่างๆมาสร้างความวุ่นวายใจให้กับเรา เรื่องใดที่เราทำได้แก้ไขได้ป้องกันได้เราก็ทำไปเรื่องใดที่เราแก้ไขไม่ได้ป้องกันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่ไปคิดถึงมันเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปปล่อยให้มันเกิดขึ้นไปแต่เราจะไม่วุ่นวายใจเราจะไม่ทุกข์ไม่รุ่มร้อนใจเพราะเรามีปัญญามีสมาธิไว้คอยรักษาใจของเราให้สงบเย็นอยู่เสมอ เป็นเหมือนกับติดเครื่องปรับอากาศให้กับใจของเราข้างนอกใจเราจะเป็นอย่างไรจะเหตุการณ์จะร้อนแรงอย่างไรวุ่นวายอย่างไรใจเราไม่ต้องร้อนแรงไม่ต้องวุ่นวายตามไปด้วยถ้าเรามีปัญญาเรามีสมาธิมีสติคอยดึงใจให้อยู่กับใจให้อยู่ในความสงบให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับบทสวดมนต์ให้ยอมรับความจริงว่าอะไรจะเกิดก็เกิด นี่คือวิธีที่จะรักษาจิตใจของเราให้อยู่อย่างสงบอย่างสบายปลอดภัยจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆแต่ถ้าเราไม่ดูแลเราปล่อยให้ความหลงมาหลอกเราก็จะคอยห่วงคอยกังวลกับสิ่งต่างๆจะอยากได้สิ่งต่างๆโดยที่ไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งต่างๆที่ได้มาแล้วจะกลายเป็นเหตุที่จะสร้างความวุ่นวาย ความทุกข์ให้กับเราถ้าเราไม่มีเราจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายพอเรามีอะไรแล้วสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายของความกังวลขึ hmm. ้นมาทันทีเช่นถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวเราจะไม่ต้องมีวุ่นวายกับเรื่องของคนอื่นแต่พอเรามีคู่ครองขึ้นมาเราก็ต้องมาวุ่นวายมาทุกข์มากังวลกับเรื่องของคนอื่นเพราะเรามีความ ผูกพันมีความอยากที่จะให้เขาเป็นปลายทางความอยากของเราเราก็เลยต้องวุ่นวายไปกับเขาแต่ถ้าเราไม่มีเขาเราก็จะอยู่อย่างสบายไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลกับเรื่องของเขาทางนี้ทางนั้นก็เกิดจากความหลงที่หลอกให้เราไปแสวงหาสิ่งต่างๆหาบุคคลต่างๆมาไว้เป็นสมบัติมา ให้เป็นเครื่องให้ความสุขกับเราแต่หารู้ไหมว่านอกจากความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้แล้วกับมีความทุกข์ที่ใหญ่โตมากมายกว่าแถมมาด้วยทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันทุกข์ก็กับเรื่องอะไรทุกข์กับเรื่องต่างๆที่เรามีอยู่นี่เองถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามลดละสิ่งต่างๆให้ได้ ด้วยการอยู่อย่างเรียบง่ายอยู่อย่างสมถะใช้เท่าที่จาเป็นหะเช่นปัจจัยสี่เท่านั้นก็เพียงพอสิ่งของอย่างอื่นอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากมีหาจอยู่แบบไม่มีก็ได้แล้วจะมีความสุขมากกว่าจะไม่มีความทุกข์ความวุ่นวายใจแต่ต้องพยายามฝึกใจอยู่เรื่อยๆต้องมีสติคอยควบคุมใจอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อย ให้อยู่กับในปัจจุบันให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วมีเวลาว่างก็ทางจิตใจให้สงบให้นิ่งให้เย็นเวลาจิตออกจากความสงบจะคิดเรื่องราวต่างๆก็ให้คิดไปในทางปัญญาให้คิดว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัาดพลาจากสิ่งต่างๆเป็นธรรมดาถ้าเราทำอย่างนี้ได้ตลอดเวลา รับรองได้ว่าใจของเราจะไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆจะไม่มีความทุกข์จะไม่มีภัยมาเบียดเบียนจิตใจของเราเราจะอยู่อย่างนุ่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างสบายนี่คือการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามเยี่ยงหยาบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาและนำมาสั่งสอนพวกเราจึงขอฝากเรื่องของการมาเสริมสร้างอาวุธไว้ป้องกันจิตใจ คือเสริมสติปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการค่ายควรคำหนึงคิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงข อ, อยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนตรัยมีพระพุทธประธานพระสงค์